ฟังทำกันเนาะเพื่อนำไปปฏิบัติสิ่ที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วก็ปเป็นส่วนประกอบให้สะดวกมากขึ้นการฟังแล้วเราต้องนาไปปฏิบัติ เอาไปกระทำการพูดการสอนก็สอนเรื่องการกระทำไม่ใช่สอนนะท่านมีความรู้ความรู้ท่านมีมากแล้วเรียนมาสูงแล้วอะไรก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูก เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้แต่ว่าผัวให้ตัวเองเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีการกระทํากับตัวเองและก็ไม่เคยประโยชน์ต่อกายต่อใจการบอกให้ทําคือวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชา ทำให้เกิดพิปัญนาลู่แจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่เมื่อลู่แจ้งก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้มีสติก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีสติเป็ น, นกายเป็นประจำ เพื่อเตรียมพร้อมด้เป็นผูด้ดูกายดูใจอยู่แล้วสติเป็นที่ตั้งสติเป็นเจนช์่ี้วัดตั้งไว้ก่อนอราเกิดขึ้นดีกาที่ใจจะได้รู้สึกตัวทำรู้สึกตัวเป็นการกระทาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เป็นความคิดเกิดขึ้นรู้สึกตัวได้ทากับกิตแล้วได้สอนกิจแล้วกิจสะอาดแล้วรู้สึกตัวกิตสะอาดแล้วเหมังนกับซักพอกแล้วกนะเอาผ้าลงแค่น้ำซักผงซักพอกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับกายรู้สึกตัวก็เลย รักษากายแล้วกายจะสะอาดจะรู้สึกตัวแล้วก็มีกายมีใจเท่านี้สิ่ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ปัญญากเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้จะมีสติ ถ้ไม่มีสติก็ไม่เกิดขึ้นแล้วความสอดก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะมีความฉกปกเกิดขึ้นเช่นความทุกข์เกิดขึ้นทีจิตก็เป็นความทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นทีจิตก็กลายเป็นความโกรธจิตเปื่อเพื่อนแล้วเปื่อเพื่อนความโกรธเปื่เพื่อนความทุกข์ ก็ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเช่นความโกรธความโลภความหลงเป็นต้นเกิดขึ้นในจิตรู้สึกตัวอย่างนี้จิตไม่เปิดเพื่อนมากมายหลายอย่างที่มันทําให้จิตเปิดเพื่ 1, 5, อนกิเลสก็พันหน้าตัณหาก็ลอยเปิดเราก็รู้ว่า ทุกข์ไม่ดีโกรธไม่ดีรู้อยู่แต่มายังโกรธยังทุกข์เพราะไม่มีการกระทำไม่ได้ซักให้มันสะอา ด, ดวความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นที่จิตกับรู้สึกตัวซะโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจ มันปงแตกขึ้นมาเองวั เ, เนี้ก็ให้รู้จักตัวอย่ามาใช่จิตจิตมันปกติอยู่แล้วแต่ความคิดเป็นสิ่งที่เป็นทวารของจิตก็ให้จิตชุกซนคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมอจิตมันคิดได้ทุกถึงทุกอย่างกับกลายปรนจิตสุขสนไปควบคุมไม่ได้มันเคยชินเมื่อควบคุมไม่ได้หยุดความคิดไม่เป็นความคิดไปเป็นสุขเป็นทุกข์ลอยตกเป็นธาตของความคิดก็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ให้กวดให้โลกให้หลงว่าให้เกิดจิตเดตั้งหาาลาคะวง่แต่งไปเต่ชีิตในสิ่งที่ไดีก็าทำสิ่งที่ไดีได้สำเร็จก็ใช้จิตผิดประเภทเมื่อจิตใช้ไม่ถูกก็เปื่อเปืน่นเสียความไปจิต จิตแต่เดิมวันดีอยู่บริสุทธิ์อยู่เราใช่ไม่เป็นก็สกปกเหมือนผ้าขาวสาดแต่เดินสาดอยู่แต่ใช่ไม่เป็นก็เปื่อยเปื่อนได้แต่ผ้าที่เปื่อเปื่อนซักได้อยู่มีกรรมวิธีมีการกระทํา ก็เปื่อนๆเราไปเปรียการกระทามก็ปิดเปื่อนอยู่เหมือนผ้าเหมือนชื่อเหมือนผ้าหลังใดก็ดีจิตของเรานี่ก็เหมือนกันมีกรรมคือกรรมฐานคือการกระทํามกรรมผเกิดการกระทําครับดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วจิต ด, ดี ก็ดีคิดชั่วก็ชั่วกายก็เหมือนกันเป็นจำเลยที่สองของกิดเราให้มีทววันก็จิตสั่งกายก็ทำไปบางทีก็รับใช้จิต กิเป็นนายกายเป็นเบาคบาบาปลำกวามได้สำเร็จเพราะมีทววันมีคำพูดมีการกระทำการเป็นผิดิีนผิดทรมผิดตัวบทกฎหมายถ้าเรามีสติจะเล่นดูกิจมีสติเห็นกิด มีสติดูกายเห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมอกาศเป็นที่ตั้งเป็นนิมิตที่อาศัยให้มีสติไปนในกายก่อนนี่คือกรรมาฐานไม่ใช่คิดลู่เอาความรู้สึกตัวต้องสัมผัสออกกาย ส, สัมผัสกับความรู้สึกตัวมือวางไว้บนเขา่า พ ล, ลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัววางมือลงรู้สึกตัวคว่ำ ม, มือลงรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเป็นประจำให้โตเนื่องอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็ให้เกิดความรู้สึกตัวซาเปลี่ยนล่เป็นดีเรียอว่าปฏิบัติจะได้เปลี่ยนมัน สิ่งที่ท out, มันเกิดขึ้นที่ไม่ถูกไป็ต้องให้เป็นความถูกต้องรวนความหลงไม่ถู anyway. er ก, กต้องความไม่หลงถูกต้องรู้จักตัวนี่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความรู้จึกตัวความไม่ทุกข์นี่ถูกต้องต่อรู้จักตัวแล้วก็ได้เปลี่ยนแล้วความรู้จึกตัวเป็นธรรมที่เป็น แม่ของกุศลเป็นแม่ของความดีเมื่อรู้สึกตัวมันก็เกิดความดีต่อไปเป็นละความชั่วเป็นการทําความดีเป็นทำการทำกายใจให้บริสุทธิ์ปลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลก็คือรับสกากลให้เรียบร้อย ฉิญก็คือรักษาหัวใจให้เรียบร้อยศิญก็คือรักษาจิตใจให้เรียบร้อยตอนมีสติอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตก็รู้สักตัวเนี่ยมันก็เวล่าความชั่วตรงนั่นขณะเดียวกันนั่นมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติก็สะดวกไม่ต้องใช้สมองหัวคิด เหตุผลนั้นได้ผู้ภอบอกภาสอนก็สะดวกเอาความเท็จความจริงให้คนได้สัมผัสความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงสัมผัส ด, ดูจะเลือกได้จะเลือกเป็นไม่มีใครเลือกเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าได้สัมผัสแล้ว แต่ถ้ามาแตะสัมผัดเลือกไม่เป็นจับเอาต่พือพ่อต่เพื่อเอาความโกรธว่าเป็นตัวเราเอาความทุกข์ว่าเป็นเราเพราะไม่มีสติตัวมีสติมันจะเป็นเจนขี้วัดสิ่งที่ผิดที่ถูกได้สติปัฐานไม่สติไม่ใช่สติธรร ม, ามดา สติปัฏฐานมันเป็นสติโต้อตอบทอกท่วงสติธรรมดาใครๆก็มีสติจนผู้รอดมันก็มีสติจะทําความชั่วได้สําเร็จจัดดีฉานันก็มีสติม่นไปตามความคิดไปตามอาการเจนคนชั่วคิดจะไปขมโมยก็หวางแผนได้ดี ทำความชั่วได้สําเร็จจะไปฆ่ากันก็วางแผนเป็นให้จิตตามฆ่ากันได้สําเร็จแล้วไม่ใช่ติตปัจจานปฏิตปัจจานานมันกลับมาที่ตั้งกลับมาที่ตั้งไว้ที่กายนี้คิดไปกลับมาตั้งไว้ที่กายนี้ถ้าได้กลับมา ข้งแล้วข้างเล่าเกิดความคิดเกิดขึ้นรู้สึกตัวก็แสดงว่าได้สอนจิตแล้วหนึ่งข้างก็รู้สึกตัวสองข้างรู้สึกตัวบ่อยข้างพันหัวรู้จึกตัวเรียนอยู่บ่อยๆเช่นนี้มันก็ประสบการณ์ได้บทเรียนที่ดีสําหรับผู้ปฏิบัติ ถูกหลอกบ่อยๆถูกลู่บ่อยๆกาต้องเกิดความฉลาดมขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ธรรมชาติธรรมชาติมันบอกมันสอนธรรมะคือธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี่อยู่แล้วในตัวเรานี่แต่ถ้าเราศึกษาเราหกหัด แล้ก็มีบทเรียนไม่ประสบการณ์ไม่ีบทเรียนมีประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติด้านเดงเคยหลงก็รู้เอาไปมาก็ไม่จนแล้วคําว่าหลงเนี่ยได้ความรู้จากความหลงโดยความรู้จากความโกรธโดยความรู้จากความทุกข์ เหมืนตรงกันข้ามอย่างนี้จึงไม่จนเหมือนพระจิตตถามองเห็นควารเกิดการแฉกการเจ็บการตายกา็กมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดถ้ามีแฉกก็ต้องมีไม่แฉกถ้ามีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บ ถ, ถ้ามีตายต้องมีไม่ตายก็เห็นกระเสเห็นที่ิศทางแต่ว่าทําไม่เป็นทําไม่เป็น หลเหียญก็ว่ามีใครตอบได้ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ไปศึกษาหัวใจก็ไม่มีใครตอบได้เรื่องนี้จึงเห็นกระแสสิ่งที่มันเกิดเติมกายกับใจนี้ต้องโอกกายเป็นลาต้องอก อ, งอกจิตใจเป็นตลาเอาสติป็นนักศึกษาเฝ้าดูมันดูนั่งกู้แขนเข้าเหยียบเขนออก ลูกฉกตัวนี่ต้องไว้ลองรู้มันจับไม่ได้กิดต้องมีสติลูกฉันเข้าลูกฉกตัวอย่าฉนดอกลูกฉกตัวเกิดลอยขึ้นขณะที่ลูกฉกตัวก็ต้องคิดคนมีลูกก็คิดแบบคนมีลูกคนมีเมียก็คิดแบบคนมีเมีย คนมีความจนความรวยความสุขความทุกข์ก็คิดแบบกคนมีความสุขความทุกข์ผมเคยคิดกับลูกจิกตัวซะกับมารู้จิกตัวก็ได้คิดที่ถึงพิมพากับมารู้จิกตัวคิดถึงลรหุนกับมาลูกจิกตัวคิดถึงประสาทสามฤดูกับมารู้จิกตัวคิดถึงสาวสนมกำนันในกับมาลูกจิกตัว เปียนมาลู่ฉกตัวหมดเพราะมันตั้งไว้พร้อมแล้วคอมก็มีที่ตั้งอยู่นี่นิมิตก็อาศัยอยู่นี่ตีกมือยกมือก้วมมือหงายมืออยู่นี่ให้ลู่ึกทุกๆุกวินาทีแล้วมันเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่ในกายให้สติเป็นใหญ่ในจิตใจลองดูเจ้พิจูดกันดู อะไรเกิดขึ้นรู้จักตัวอะไรเกิดขึ้นรู้จักตัวไปก่อนอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งคิดหานะคําตอบจากความคิดอย่าเอาเหตุเล้วผลมาตอบเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมใครๆก็รู้ผมโกรธไม่ดีผมไม่โกรธดีกว่ารู้อยู่แต่ว่าทําไม่เป็นเหตุผลมันช่วยเป็นได้ต้องมีการกระทํา มรู้จักตัวนีจะได้บทเรียนตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้เมื่อรู้จักตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นในคราวเดียวกันนั้ น, น, นแล้วก็ละความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์การละความชั่วการทำความดีทั้งจิตบริสุทธิ์ก็กลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นบัญญาขึ้นมา ชำนานขึ้นก็เป็นอธิเสียงศึกษาอาธิปัญญาสิกษาอาธิจิตตศึกขาขึ้นมาชำนานมากขึ้นเนื้อมันในมันมันมีความชำนานไปตัดตโนมัดไม่ได้หัดมันติดแล้วก็เราเรียนหนังสือทําอะไรเป็นกดคอมเพลเตอร์เป็นกดพิมพ์ดีดเป็น มือมันไปเองเป็นศาตร์เป็นฉินขึ้นมาใจมันไปเองมันเคยทางมันได้ทางมันรู้ทางความรู้ของเกจที่มันเห็นทางอยู่ฐานะแบบไหนก็ไม่จน เ, เดียวว่าชำนี้ชำนาน เ็นศีลอันยิ่งเป็สมาธิอันยิ่งเป็นปัญญาอันยิ่งเป็นศนาอันทีแ่ก่อมันห่างที่ศีลที่ปัตญาที่สติสติขาศี น, น, นทีเข้าไปทีเข้าไปจะไม่ลมไม่ไม่ซึมไม่รั่วเหมือนผ้าที่เนื้อดีห่อหน้ามได้ ศีลกบริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ว่ามัเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปเองโภคบริสุทธิ์หมดจดจ่อเครื่องสมองมีโรคปวดหลงเป็นต้นหรือว่าประพิสูจน์พรหมจรรย์มีศีลแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้าะศีลช่วย จะมาที่ช่วยปัญญาช่วยจึงรู้จักว่ามีศีลมันก็ปลอดภัยมาได้ฝึกบัดมันปลอดภัยมาจะบงังคับไปโกรธมันโกรธไม่ได้จะบงังคับไปทุกข์มันทุกข์ไม่ได้จะบงังคับให้หลงมันหลงไม่ได้มันไม่เอามันไม่ถูกต้องค่มขืนตัวเองไม่ได้ ก่อนนี่เป็นจริดีดรอขาจริดีดพุ่งอังเกิดชื่อถ้าหาได้ <c oughs> รจริรงโทจจระดดความโกรธออกหน้าออกตาโมหะจริดีดความหลงองอ่หน้าออกตาเราเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจหูที่เหนเสียงก็พอใจไม่พอใจ จะหกได้กินลิ้นได้ลดกายสัมผัสจิตใจคิดก็มาสูความพอใจไม่พอใจมันหลงหมกนาะไม่รู้สึกตัวเลยให้ตาเป็นใหญ่ให้ใจเป็นใหญ่ให้หูจะหัวจะหมกให้ลิ้นให้กายเป็นใหญ่ให้มีสติอินชีเป็นใหญ่เมื่อตาหูจะหมกกายใจเป็นใหญ่ก็แย่งกัน ตาก็จะไปทางรูปหูจะไปทางเสียงทมูกก็จะไปทางกลิ่นเล่นก็จะไปทางรสกายก็จะไปทางสมผัสตกต้องหอนแข็งจิตใ จ, จก็ไปทางคิดนึกปุ๋งแตงเกงหรือว่าสังขารปุ๋งแตงเกงไหลเรื่อยเจ้าสังขารไหลเรื่อยกายสังขารก็ไหลเรื่อย จิตแต่สังขารก็ไหลเรื่อยไม่หยุดไม่ย่างกั้งคืนเป็นขวานกังางวันเป็นเปลวเวลาจะนอนก็หาเรื่องมาคิดจะนอนไม่หลับหยุดความคิดไม่เป็นมันไหลแล้วก็หมดพลังงานมาได้ภาพก่อนผู้ที่ไม่ฝึกหัดหลใจไม่มีจิชิ้นเปืองพลังงาน ใจให้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงทั้งในไม่ใช่จิตใจความสุขความทุกข์ไม่ใช่ใจร้องโกรธความโลภความหลงลไม่ใช่ใจิตใจใจบริสุทธิ์จิต่จก่อนอยู่แล้วมันก็ได้จิตเดิมแท้ถ้าฝึกหัดจิตก็สู่จิตเดิมแท้ได้ที่ในทางมั่นใจพึ่งได้ ใ, ใจก็พึ่งใจได้ ถ้าไม่ฝึกก็พึ่งไม่ได้ใจคุ้มร้อยคุ้มดีไม่มั่นใจตัวเองแล้วจะจิตใจจะพาไปยังไงชั่วก็ทำชั่วคิดชั่วก็พูดชั่วเป็นบาปเป็นกรรมไปจนทำให้ตรวองเดือดร้อนประความคิดเป็นทุกพระความคิดทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เมื่อเราฝึกหัด มีกรรมาฐานมีสติมีบทเรียนที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้จำนานมากขึ้นลูกแจ้งเห็นความเท็จความจริงเกิด ข, ขึ้นที่กายที่ใจะกะจบวันมาหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันมีสติอยู่เป็นประจำดู อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยมันสะดวกกว่าที่จะให้มันเป็นอื่นได้หลักได้หลักได้ฐานมีหลักมีจริงจิตใจมีหลักกายมีหลักเมื่อสิ่งที่มีหลักมันก็ไม่หวั่นไหวมันมีที่ตั้ง <c oughs> มีที่ตั้งของการกระทําแล้วอาจะประกาศออกมาได้เลยต่อไป น, นี้ความวุ่นวายทุกข์เกิดขึ้นจากกิจจะไม่มีอีกแล้วความวุ่นวายทุกข์เกิดขึ้นจากกายจะไม่มีอีกแล้วจะไม่โอ้อายเอาใจมาเป็นฉุกเป็นทุกข์จะไม่โอ้อายเอาใจไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปทุกข์ ประกามาเลยเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาแต่ก่อนนี้ไม่มีความเป็นธรรมเลยกายใจก็เบียดเบียนกันก็เจ็บป่วยใจก็เป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกขก์ช่นขวงโกรธือที่จิตกายก็จิตไม่ได้นอนไม่ได้ไอ้ควงโกรธนอนอยู่ไหน จิตข้าม ห, หวานข้ามคืนไม่รู้จักสละความโกรธออกเป็นยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนต่างทั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราไม่รู้ไม่ได้ฝึกหัดทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์เสียเปียบความโกรธความโลภความหลง ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทาให้คนเดือดร้อนนี่ขนหัวลุกนะถ้าได้บริสุทธได้สะอาแล้วขนหัวลุกเนะ่ิงสุก ป, ปกเหมือนคนสวมเชื่อผ้าสะอาดปดจดเห็นขนมอมแมมสุก ป, ปกลันก็ขนหัวลุกเช่นคนบ้า กอบกินน้ำในคลองในตลาดสดมันมีเลือดบ้ามันก็ไม่มีโลกเหมือนกับหมาบ้าหมาบ้ากัดคนบ้าไม่ค่อยมีพิษเพราะมันมีเลือดบ้าแต่เราไปทำอย่างนั้นก็ตายไปเลยไม่มีเลือดบ้า ก็เห็นิผลผลของความหลงความโกรธความทุกข์ควาชั่วเนี่ยมันจะปล่อยทิ้งม่ได้ถ้ามัทุกข์นิดหน่อยก็ไม่ได้ความหลงนิดหน่อยไม่ได้ที่เหมือนเปืเปเ่อนๆมานิดหน่อยไม่ได้มันจะรีบเอาออกคาละออกทันทีมันง่าย อาการเอาความชพ่อออกจากจิตมันง่ายไม่เหมือนกามันติดอยู่ในจิตเห็นอะไรสมความบุญชุดบทจุดพี่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่มีตัวกายต่อใจมันก็อยู่ไม่ได้คิดเห็นคนอื่นได้บอกความเท็จความจริง ให้คนอื่นฟังเลยพูดออกมาเป็นเสียงเป็นภาษาว่าความหลงไม่จริงนะความไม่หลงมันจริงกว่าความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงอย่าจนอย่าทํำตามความไม่ถูกต้องให้ทํำตามความถูกต้องเ้าด้ยินเอาไว้จะได้ไม่จนแน่นอนเราชีวิตของเรานี่จะต้องไหม ความเจ็บความเจ็บความตานให่เท่ควาสั่งสอนก็เป็นทุกข์ความทุกข์ยางเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรอหน้าแล้วรูป ก, ก็เป็นทุกข์สภาวะธรรมที่เป็นทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความม่อยกเป็นทุกข์ เบทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะเบทนาเป็นทุกข์เพราะเบทนาสนญ a w ที่จด จ, จำบันทึกไว้เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์สังขารก็ปุ่งแตง่งวุงแตง่ ง, แตงอยู่เรื่อยไม่ให้มันทิ้งไปไม่ลืมกูไม่ลืมถ้ากูได้กวดกูไม่ลืมแล้วกูจะลักก็ไม่ยอมเขาจะมาแย่งความรักเขจะมา ถ้าไม่โกรธมันก็ไม่ได้อย่ากโกรธถือเพื่อนอย่ากโกรธถือเพื่อนมันไม่เออมันไม่อยู่ก็ไม่โกรธก็เหมือนหมาแล้วเพราะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เห็นความโกรธเป็นตัวเป็นตนติตดใช่หไหมวิญญาณก็ติดว <c oughs> ิญญาณก็ติดติดสิ่งที่ไม่ดีเพราะประกอบมาเพราะธรรมาเป็นจิตวิมิย ถูกเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็น ท, ทุลกลองต่อยรูปมันไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญามัไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนไปยึดเอาสิงที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนถูกสิ่งเดียวนั่นมันฟ้าเป็นทุก ทุกขพราอะไรเพระอุปทานยึดว่าต่อย่ออุปท า, า, า, านขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันตั้งห้าคือลูกไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นทุกข์ได้ยินได้ว่าได้สวดอยู่แตทําไม่เป็นไม่เห็นมันทําเป็นแล้วจึงมาพูดเรื่องนี้ทีพ่พระเจ้าได้เห็นเรื่องนี้จึงมาเทศนาเรื่องนี้ พวเราเอาม า, า, าทอนขยายสวดมนต์ทำวัดแต่ก็ยังทำไม่เป็นเพราะไม่ไม่มีการกระทำแต่ว่ารูกอวัว้ก็ดีอย่าเป็นทุกข์เพราะรูปอย่าเป็นทุกข์เพราะเบทธนาอย่าเป็นทุกข์เพราะสัญญาสังขารงินยานวิชากรรมฐานก็ตั้งต้นก็เหยียบลงไปแล้ว กายจะว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาคุยทางไว้แล้วทําคนเห็นได้ตรงนี้เวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขานอนจิตก็สักว่าจิตที่มันคิดขึ้นมาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทอมที่มันเกิดไหลขึ้นมาความเสื่อมความดีมิลบยุศสนเสริญนินทาสุขทุก อะไรก็าตามเป็นเป็นธรรมที่เหมือนเกิดขึ้นจบทุกชีวิตที่ว่าลูกกับบ้านเป็นธรรมที่เหมือนเป็นธรรมที่มันตกเว็นเมื่อของงา น, นล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่ลูกกับบานไม่ใช่คุ้มครอง เพราะฉะนั้นวิธีฝึกกรรมาฐานกับเบิกทางตั้งแต่ที่แรกแล้วถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีจิติรู้จั ก, จกตัวถอนความบรรจุกวาทุกข์ออกมารู้จักตัวอนโลกคือมันพอใจไหมพอใจไหนเป็นลดของโลกถอนออกมารู้จักตัวนะมันเหนือโลก เจาสุกเป็นสุกหรือว่าอยู่ในโลกก็เห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกพ้นจากความสุกอยู่เหนือโลกก็ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุกหอดูเหนือโลกคนอยู่ในโลกก็ต้องสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธโลภเป็นโลภหลงเป็นหลงพวกหัวหนี้ไม่จะเกิดเจ่บเจ็บตายเกิดดับเกิดดับ หลงเป็นหลงหรื่าเกิดดับมีชาติมีพบมีวัฏฏ์ต้องสานหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกปวดเรื่องเก่ากวดแล้วปวดอีกนีวัต่อนี่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเจ็เจ็บตายตรงนี้ถ้ามีเกิดจากนี้ก็ต้องมีเจ็เจ็บตายแน่นอนเป็นทุกข์ เราเห็นอ่างีก็รู้ว่าเหนือเกิดเจ็เจ็บตายได้ว่าดิทุกปควมเแต่ไม่ทุกภวงเก็บไม่ทุกภวมตายก็งัดเห็นมันเก็บเห็นมันเจ็บ เ, เ, เ, เ, เห็นมันตายการตายไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ตัวเราตายตัวเราเจ็บมันเฉลี่ยมันเห็นแจ้ง เมื่อเห็นแจ่มก็ไม่โจมโลกที่นั่นเ ห, หนือเหนือเฉะเหนือเฉ็บเหนือตรอยวันขึ้นสูงสูงตั้งแต่ทีแรกแล้วไอศักดิ์วะกัยไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลกสูงขึ้นไปแล้วเวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลโตต้นโลกสูงขึ้นไปแล้วจิตศวกดิ์วะจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลัตวตนโลกโขสูงไปแล้ว ทำแต่ว่าทำไม่เฉยสัตบุคคลตัวเราเขาสูก อ, อกไปแล้วผาด่านได้แล้วไปดีฉละแล้วชีดานเด้มันกับชีวิตของคนเราไม่ค้นเป็นคนอยู่ทําให้ค้นเป็นพระไม่ได้คนที่จะเป็นพระต้องผ่านชีดานนี้พระคือผู้ประชิด เราหลงมาประเสริฐก็ไม่หลงมาประเสริฐมันต่างกันตรงนี้จริงที่เราหลงคนหนึ่งเขาไม่หลงริ่งที่เราทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกจิ่งที่เราโกรคนหนึ่งเขาไม่โกรธมันต่างกันตรงนี้เราอยู่ในฐานะแบบไหนประมาทหรือยังไงตรงนี้ คนละสมัยแล้วนะเรายัางโกรธยังโลภยังหลงยั ง, ยงทุกขอยู่ส่วนคนละสมัยไม่ทันสมัยมีกายมีใจต้องฝึกขนไม่ฟ้องร้อมแล้วได้งานแล้วได้กายได้ใจมาแล้วได้สติก็มีอยู่แล้วไม่ต้องขอใครมีจิตทีมีจิตที่ใช่สติทันทีเช่นมันโกรธแล้วมีจิตทีไม่โกรธรู้จักตัว เรามาทุกข์เราไม่เฉติไม่ทุกข์ใช้เฉติให้ชอบทำอย่างนี้อย่าไปยอมของไม่ดีให้มันเกิดขึ้นดีกาใจเราเยอะดอยเยอะดอยสิ่งที่ไม่ดีปล่ อ, อยทิ้งไว้มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์มันผิดตรงนี้ให้เราช่วยตัวเองให้เป็นหลงเองตัวลูกเอง ทุกเองตัวงรู้เองโกฎเองต้อรู้เองจี่บอกปฏิบัติธรรมมาใช่บาดยู่วัดป่าจุปโ ต, ตอยู่กับตัวท่านแล้วหลงที่ใดก็ต้องรู้ที่นั่นพร้อมแล้วมีกา ย, ายมีใจมีจิติมหัดออกเสียก่อนแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันจะได้ไม่จนในความแจ่ความเจ็บ ค, ความตาย จะได้จำนานในเรื่องนี้พุ้มค่าที่เราได้เกิดมาแล้วเราก็จะเป็นคนดีพึ่งตัวเองได้คนอื่นก็อาจจะพึ่งได้แล้เวเราก็เป็นสองขงเป็นครอบครัวผัวเมียมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานก็จะต่อเนื่อง ช่วยกันแ้วกันคนหนึ่งหลงเราไม่หลงช่วยคนที่หลงให้ไม่หลงคนหนึ่งทุกข์เราไมทุกข์ช่วยคนที่ทุกข์ให้ทุกข์อยู่ด้วยกันนั่นนะกับครอบกบครัวนั่นนะนะคนหนึ่งโกรธเราไม่โกรธช่วยคนที่โกรธให้ไม่โกรธงานของเร า, าอย่างนี้งานมนุษย์เป็นอย่างนี้ดีจะมีงานทำจะได้ช่วยกันจะได้เพิ่งฟาใช้กัน ถ้าเราไม่มีความดีอย่างนี้ตบมือสองข้างก็ทะเลาะกันให้เขาตบมือข้างเดียวมาไม่ดังเราอย่างไว้ก่อนลู้ไว้ก่อนจะมีโอกาสช่วยกันไม่เป็นที่พึ่งขึ้ก น, ก, นกันและกันได้เรียกว่าการยานละมิด มีกินนยาเมต ด, ดิมีเพื่อนดีมีสงายดีเพื่อนผู้เวทล้อมดีเป็นทั้งหมดของผมมาจนเลยทีเดียวผู้เจ้าต่อจากนี้เมื่อมีความเจ๋ยก็มีความไม่เจ๋วไม่ความเจ็บก็ไม่ความไม่เจ็บมีความเศร้าโศกร่ำไร้ ล, ลำพันก็ไม่มีความเศร้าโศกร่ำลำบาก ต, ต้องเป็นกิดยาดามิตไม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ธรรดาเป็นลูก ก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นกันลยาณมิตรเป็นปัญญาสามีก็เป็นกัลยาณมิตรกันกัลยาณมิตรนี่ไม่มีทางทะเลาะกันไม่มีทางโกรธกัน ไ, ม, ม, ไ ม, ม่การเบียดเบียนกันเลยมิแต่ช่วยกันล้วก็รักลูกรักเมียแล้วก็เป็นคนดีรักพ่อรักแม่ต้องเป็นคนดีมีธรรมไม่เบือดเบอยนไม่เป็นทุกข์เนี่ยก็สงบร่มเย็น เกิดสังคมพระอริยเจ้าขึ้นมาสมคีการสร้างสังฆาให้เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นสังฆะขาวางพ่ออมเพียงการเป็นหนึ่งเดียวกันคนคนเดียวกันทุกคนมีสติหรือว่าคนคนเดียวกันแล้วความชัว่วทำความดีจิตบริจุทธ์เหมือนกันหดมันก็นนกพึ่งกันได้ถ้าหลงก็เป็นคนละคน ไม่มั่นใ จ, เ ข, นใจเขาก็ไม่มั่นใจเขาเราก็ไม่บั่นใจเราเขาก็ไม่เป็นสังขะไม่เป็นกัลยาณมิตรจะเป็นผัวเป็นเมียมันขาดง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรขาดง่ายต้องต่อไปเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันในการเขาก็มั่นคงมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนแท้เพื่อนเทียม แลเขึ้นในตัวเรานี่นับถงจะตัวเราก่อนเหมือนฝึกขวนตนเองนะก็สมขวนจะเวลาสอพรพ่กัน